ตอนที่สองบรรยายเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2540เราก็เลยยากที่จะเดินหนะ้ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราหลงลอยหลุดออกไปจากฐานของตัวเองเป็นไปได้หรือเปล่าหลงลอยหลุดออกไปจากฐานตัวเอง แล้วจะไประเริงโลดเต้นเป็นเวบนเวทีที่คนอื่นเขาจัดให้ส <Yeah. S 2> ังคมไทยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหลุดลอยอคฐานของตัวเองแล้วไปโลดเต้นอยู่เป็นบนเวทีที่คนอื่นเขาจัดให้เช่นบนเวทีโลกาภิวัตแห่งการแข่งขันระบบผลประโยชน์สินค้าบริโภคฟุ่มเฟือยที่เขาส่งเข้ามาล่อตาล่อใจของเราจนกระทั่งเราไปเล่นระเริงโลดอยู่บนเวทีอันนั้น แล้วแถมก็ไม่ได้ฐานของเขาเสด้วยหลุดออกจากฐานของตัวเองแล้วฐานของเขาเราก็ไม่ได้นีก็กลายเป็นรอยทั้งสองเลยฐานตัวเองหลุดลอยไปแล้วแล้วไปอยู่บนเวทีจอมปลอมที่จัดชั่วคราวเป็นเวทีที่มันเป็นภาพมายาเนี่ยที่เขาจัดให้เราเราก็ไปเต้นโลดอยู่ระเริงอยู่บนเวทีนั้นบนเวทีแห่งบริโภคนิยมไม่อยู่บนฐานของตัวเองฐานที่เป็นมาของเรามีอย่างไรนี่เราจะต้องวิเคราะห์ คนเราถ้าไม่เริ่มจากฐานที่ตั้งตัวของตัวเองเราก็กลายเป็นคนเลื่อนลอยนั่นเองอันนี้คนที่จะมีฐานตั้งต้นจะตั้งตั้งตัวและตั้งต้นที่ดีนั้นก็อย่างน้อยก็คือสำรวจตัวเองได้ว่าอะไรที่ตัวเองมีเป็นทุนเดิมทุนเดิมดีที่ตัวมีหรือพูดสั้นๆว่าดีที่ตัวมีดีที่ตัวมีตั้งเป็นฐานไว้ก่อนกอาต่อไปเราอยากจะไปเอาดีเพิ่มตินิธรรมได้ แต่ต้องรักษาดีที่ตัวมีไว้แล้วไปเอาดีที่ยังไม่มีให้ได้ด้วยนี่ถ้าทำได้อย่างนี้จเจริญแน่แต่ถ้าดีของตัวเองที่มีก็ทิ้งไอ้ดีที่จะเอาใหม่ก็ยังไม่ได้อย่างนี้หลุดลอยเสียหมดเลยนี่สังคมไทยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าดีที่ตัวมีก็ไม่รักษาปล่อยให้หลุดมือไปไอ้ดีใหม่ที่จะเอาก็ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นกเกษตรตัวเองมีดีอยู่รักษาไม่ได้ไม่เอาทิ้ง จะไปเอาอุตสาหกรรมที่ดีที่ตัวอยากจะได้ที่ยังไม่มียังเป็นของใหม่ก็เอาไม่ได้ตกลงเสียทั้งสองเลยใช่ไหมถ้ากลายเป็นคนเลื่อนลอยนะ่าจะเป็นคนเก่งจริงเกษตรตัวเองดีมีต้องรักษาไว้ฉันต้องแน่เรื่องเกษตรฉันต้องเด่นต้องรักษาดีฉันจะไปเอาอุตสาหกรรมอีกฉันต้องดีด้วยทั้งอุตสาหกรรมฉันต้องเก่งทั้งเกษต ร, ศรศทั้งอุตสาหกรรมอย่างนี้จึงจะเป็นคนฉลาดจริงใช่ไหมอันนี้ตอนนี้เกษตรก็เสียหลุดนะอุตสาหกรรมก็เอาไม่ได้แสดงว่า ฐานเขาตัวเองก็เสียนะไม่ตั้งอยู่บนฐานที่ตั้งต้นของตัวเองแล้วก็ไปอยู่บนเวทีที่เขาจัดเป็นมายาอย่างที่ว่าเพราะนั้นอันนี้เป็นความสูญเสียที่จะต้องมาทบทวนตกลงว่าฐานตั้งตัวและตั้งต้นที่ดีโดยที่ทุนเดิมที่มีของตัวก็ต้องรักษาไว้แล้วดีใหม่ก็ก้กาวไปเอาให้ได้อย่างมั่นคงถ้าอย่างนี้ละชาติไทยก้าวหน้าแน่นอน จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตเกษตรกรรมนะเรื่องเกษตรกจแบบเกษตรเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่มีทรัพยากรธรรมชาติแทนที่จะเป็นฐานแทนที่จะใช้เป็นฐานตั้งตัวกลับเป็นแหล่งทรัพยากรที่ให้คนอื่นมากกอเ อ, อาไปใช้อย่างนี้มันจะใช้ได้อย่างไรนะนั้นเราก็เลยเสียหมดเพราะนั้นทุนเดิมที่มีทรัพยากรธรรมชาติก็ดีหาประเทศไหนที่จะมีอย่างไทยก็ยาก เรื่องการเกษตรเราก็พื้นฐานเดิมก็ดีรากฐานวัฒนธรรมเราก็ดีค้นข้าไปวัฒนธรรมไม่ใช่ว่าจะต้องรักษาไว้หมดบางอย่างมันก็คลาดเคลื่อนไปผิดพลาดก็มีก็มาตรวจสอบดูอย่าดูแค่วัฒนธรรมต้องดูไปถึงเหตุปัจจัยของวัฒนธรรมดูถึงรากฐานของวัฒนธรรมว่าวัฒนธรรมอันนี้วิถีชีวิตอันนี้เกิดขึ้นอย่างไรมาจากฐานที่ไหนเหตุปัจจัยนั้นเป็นอย่างไร มาวิเคราะห์มาตรวจสอบวัฒนธรรมอีกทีวัฒนธรรมอาจจะผิดพลาดแล้วก็ไปใช้รากฐานมาตรวจสอบแก้ไขวัฒนธรรมอีกแล้วก็มาปรับตัวกับวัฒนธรรมกับสภาพแวดล้อมในโลกปัจจุบันให้ได้ผลดีด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องรักษาวัฒนธรรมแบบทื่อๆกลายเป็นนักปกป้องไปถ้าใครเป็นนักปกป้องแสดงว่าแ yeah ย่คนที่ปกป้องก็คือคนที่ ไม่ใช่เป็นฝ่ายรุกแต่เป็นฝ่ายที่ถอยเป็นฝ่ายตั้งรับใช่ไหมถ้าคนปกป้องนี่แสดงว่ากําลังอยู่ในภาวะแย่ <Yeah. S 1> นี่คนไทยเรานี่อยู่ในภาวะปกป้องวัฒนธรรมแสดงว่าเรานี่ไม่เก่งจริงถ้าเก่งจริงเราต้องวัฒนธรรมเดินหน้าสามารถขยายวัฒนธรรมออกไปให้คนอื่นยอมรับนี่ขณะนี้อยู่ในภาวะเป็นเพียงผู้ปกป้องวัฒนธรรมเท่านั้นเองนี <Yeah. S 1> ้ตอนนี้เอาละเรื่องนี้ก็ยาวก็ขอพูดไว้เพียงเป็นหลักการก็แล้วกัน แล้วศักยภาพในตัวคนไทยที่เป็นทุนเดิมเราก็มีอยู่แล้วพัฒนาขึ้นมาคนไทยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาเนี่ยเป็นคนเรียนเก่งๆบางทีไปเรียนเมืองนอกนี่ได้เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งแต่กลับมาเมืองไทยแล้วเราไม่ไสามารถใช้ศักยภาพของคุณเราให้ได้ผลดีฉะนั้นเราจะต้องมาตรวจสอบตัวเองว่าฐานเดิมที่ตัวมีนี่เอาม า, ารักษาไว้ให้ได้แล้วใช้เป็นจุดตั้งต้นที่ดีให้ได้ด้วยเพิ่งก้าวไปเอาดีที่ยังไม่มีให้ได้ แล้วถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะเริ่มพึ่งตนได้เราพูดกันนักว่าจะต้องพึ่งตนพึ่งตนพึ่งตนนี่เป็นหลักการที่จะต้องปฏิบัติแต่ว่าจะหยุดแค่นี้พึ่งตนนี่ถ้าไม่มีความสามารถที่จะพึ่งตนและจะพึ่งตนได้อย่างไรพูดกันไปว่าพึ่งตนสิพึ่งตนเองเงินก็ไม่มีความสามารถสติปัญญาก็ไม่มีเราจะให้พึ่งตนยังไงล่ะเนเพราะฉะนั้นพุทธศาสนานี้ถ้าไม่ได้หยุดแค่พึ่งตน สอนแค่พึ่งตนนีไม่ได้พราะพระเจ้าสอนต่อไปพึ่งตนด้วยการทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ไอ้ตรงนี้สิสำคัญการทำตนให้เป็นที่พึ่งได้นี่สำคัญมันเป็นฐานข้อการที่จะพึ่งตอนอย่าไปหยุดแค่พึ่งตนมากจะพูดว่าพึ่งตอนอย่างนี้ก็ไปซัดกันเท่า น, นั้นเองอ่าเพเธอจะแย่แล้วก็พึ่งตัวเอาสิห่างันนอย่างนี้แล้วเขาจะสู้ได้อย่างไงล่ะเนี่ย อย่างนี้ก็ต้องช่วยกันไปก่อนแต่ว่าต้องไปช่วยเขาทำตัวเขาให้เป็นที่พึ่งได้นั้นหลักพุทธศาสนาองเนี้ยบางทีเราก็มองข้ามไปเหมือนกันหลักการทำตนให้เป็นที่พึ่งได้เพราะพระเจ้าจัดอัตตาเหตอจโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้จัดแค่นั้นเพราะว่าอัตนาอิสุทันเตนะนาถังลพติทุลพังบุคคลมีตนที่ฝึกฝนดีแล้ว จะได้ที่พึ่งกันได้อยา่างนี่ตอนนี้เราต้องต่อพุทธภาสนาไม่ได้จบแค่อาตาัตตายาตโนนาโถนะไม่ได้บอกให้ตนเป็นที่พึ่งของตอนตอนที่ฝึกดีแล้วนี่ตอนนี้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาตนแล้วนาถากรณธรรมธรรมที่จะทําตนให้เป็นที่พึ่งได้อันนี้สิบข้อเลยเนี่ยสําคัญกว่านี้สําคัญกว่าเพียงกว่าเพียงจะพูดว่าพึ่งตนเพราะนั้นเราจะต้องพึ่งตนในการพัฒนาคนของเราพัฒนาทุนของเรา ทางพัฒนาทุนในตัวคนและพัฒนาทุนภายนอกเพื่อจะให้ตนนี้เป็นที่พึ่งของตนได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันแล้วก็การเป็นที่พึ่งของตนได้นี่ก็จะทําให้เป็นอิสระเสรีอย่างแท้จริงถ้าคนพึ่งตนเองไม่ได้มันก็ไม่เป็นอิสระต้องพึ่งพาเขานี่คนไทยเราก็ชอบความเป็นอิสระเสรีแต่ว่าก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองอีกที่ผ่านมานี่เรามีเสรี เป็นอิสระแบบแท้จริงหรือบางทีเป็นเสรีภาพแบบหลอกตัวเองแหมฉันทำนั่นได้ฉันทำนี่ได้อยากจะทำได้ตามชอบใจบางทีเป็นเสรีภาพแบบถูกเขาหลอกให้เต้นก็มีนะทำให้เขารู้เรารู้สึกว่าโอ้เราทำอะไรได้ตามชอบใจอยากจะกินอะไรอยากจะซื้ออะไรก็ซื้ อ, อซื้อสินค้าต่างประเทศตรงลงนี่เราทำได้ตามชอบใจใช่ไหมเรามีเงินเราก็ซื้อสินค้าต่างประเทศมาบริโภคได้บางทีกลายเป็นว่าถูกเขาล่อถูกเขาจูงถูกเขาชักถูกเขาเชิด ให้เป็นผู้เข้าใจว่าตนเองเสรีแต่ที่จริงเสรีแบบนี้บางทีไม่ใช่เสรีหรอกถ้าใช้คําว่าแรงก็คือเป็นทาตเขานั่นเองเสรีภาพในความเป็นทาตุเพราะนั้นต้องระวังมากเต้นไปเต้นไปต้องดูตัวเองว่าเราเสรีจริงหรือเปล่าหลักการง่ายๆก็คือว่าคนที่ทําอะไรได้ตามชอบใจแต่กลับพึ่งตัวเองไม่ได้เสรีจริงหรือ โลกที่ทําอะไรได้ตามเจ้าใจของฉันจะเสรีแต่ว่าพึ่งตัวเองไม่ได้เลยอย่างนี้เรียกว่าเสรีภาพไหมคนที่พึ่งตัวเองได้นี่ไม่พึ่งตัวเองไม่ได้เป็นอิสระเสรีหรือเพราะฉะนั้นการเป็นอิสระเสรีนั้นแน่นอนฐานตั้งมาจะพึ่งตัวเองได้ได้อีกประการหนึ่งถมองทั้งสังคมแต่ละคนเอาแต่ใจตัวเองทําได้ตามชอบใจแจกสังคม แต่ละคนเอาแต่ใจตนเองทําได้ตามชอบใจแต่สังคมของตนต้องขึ้นต่อสังคมอื่นอย่างนี้เสรีจริงหรือเปล่าถ้าอย่างนี้จึงบอกว่าเราก็เป็นเพียงถูกเขาชักเขาเชิดตัวนั้นเองให้นึกว่าตัวเองเสรีนะเสรีภาพในการบริโภคเนี่ยก็คือการเป็นทาสของประเทศที่ผลิตใชยหรือเปล่าเพราะนั้นขณะ น, น, นี้สังคมของเรานี่เรามุ่งหมายว่าเป็นสังคมแห่งเสรีภาพ เราจะต้องตั้งหลักให้ถูกว่าความเป็นอิ ส, าสรามเสรีที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอย่างน้อยสังคมขั้งตนต้องพึ่งตนเองได้แล้วก็เป็นผู้ให้แก่สังคมอื่นไม่ใช่เป็นผู้ที่จะรับอย่างเดียวนั้นเราต้องวิเคราะห์สังคมของเรานี่ขึ้นต่อสังคมอื่นหรือไม่ถ้ายังขึ้นอยู่แสดงว่าเสรีภาพนั้นไม่ได้มีความหมายที่แท้จริงก็ขอผ่านไปอีกตอนนี้เวลาจะหมดแล้วนี้ก็ขออีกสักไม่กี่ข้อละเรนพร ต่อไปลึกลงไปก็คือเรื่องรากฐานทางความคิดเมื่อกี้นี้การดําเนินชีวิตก็เรื่องใหญ่นี่แนวคิดการมอ ง, งต่างๆวิธีคิดวิธีมองความเชื่อความคิดเห็นความเข้าใจเนี่ยจะต้องปรับให้ถูกต้องเลยเพราะเป็นรากฐานเลยตามพุทธศาสนาบอกว่าทิฏฐินี่เป็นตัวสําคัญความเชื่อความยึดถือหลักการต่างๆที่มีอยู่แม้โดยไม่รู้ตัวในจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวนําจิตใจไป เราเชื่อว่าความสุขอยู่ที่วัตถุเราก็ดําเนินชีวิตทําทุกอย่างศึกษาเราเรียนทําการงานเพื่อวัตถุอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ความเชื่ออย่างเนี้ยแนวความคิดนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่ผ่านมาบางอย่างเราอาจจะถูกแต่บางอย่างก็ต้องผิดพลาดแน่นอนเรามาพูดส่วนที่พลาดกันดีกว่าพลาดกันแม้แต่การปฏิบัติธรรมอันที่หนึ่งที่ธรรมาภาพขอต้องขอตั้งข้อสังเกตคือเรามักจะมองอะไรต่ออะไรแบบนิ่ง แบบนิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่านิ่งที่สุขสบายสุขสบายแบบนิ่งแม้แต่สุขสบายเราก็มองสุขสบายแบบนิ่งแล้วก็มองสุขสบายเป็นจุดจบด้วยไปหยุดที่สบายว่ามองสุขสบายก็มองแบบหยุดนิ่งและแถมยังไปเอามองความสุขสบายเป็นจุดจบไปหยุดที่สุขสบายก็ไปนิ่งอีกล่ะเอาความสุขสบายเป็นจุดหมาย ที่ว่าจะได้หยุดหยุดดิรนข น, นขวาหยุดทุกข์หยุดถูกบีบคั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะมองแม้แต่ ก, การปฏิบัติธรรมในลักษณะนิ่งและเพื่อความสุขที่เป็นจุดหมายแล้วก็หยุดเช่นมองสันโดษเพื่อความสุขมองสมาธิเพื่อความสุขมองตรงอ น, นิจจังเพื่อจะได้สุขสบายใจสบายดูเหมือนว่าถูกแต่ถูกจริงหรือเปล่าอันนี้น่าจะวิเคราะห์อันนี้ขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก่อน สองก็คือการมองสิ่งทั้งหลายแบบขาดความสัมพันธ์มองเฉพาะตัวขาดด้วนลอยไม่มองแบบสัมพันธ์ความสัมพันธ์สองอย่างคือหนึ่งความสัมพันธ์เชิงเหตุปจัจจัยความสัมพันธ์หนึ่งก็สืบสาวเหตุปจัจจัยเป็นมันมาเพราะอะไรเป็นยังไงเกี่ยวข้องอื่นไม่ใช่มองปรากฏการณ์ ต, ต่างๆลอ ย, อยอย่างเดียวหรือมองแม้แต่ธรรมะลอยเช่นว่าขาดวินยัยก็ขาดวินยัยฝึกวินัยก็ขึ้นมาไม่มองว่าแล้อะไรเป็นเหตุ ข, ของวินัยอย่างนี้เป็นต้น และแง่ที่สองของการมองแบบขาดความสัมพันธ์ก็คือการมองอย่างขาดลักษณะคืบเคลื่อนส่งต่อในกระบวนการธรรมะในพุทธศาสนานี่เป็นกระบวนการเป็นการปฏิบัติที่คืบเคลื่อนส่งต่อกันไปสู่จุดหมายก็คือการบรรลุนิพพานอย่างนี้เป็นต้นเป็นการพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นทำทุกอย่างในกระบวนการนั้นจะต้องอยู่ในลักษณะคืบเคลื่อนและส่งต่อเท่านั้นถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็มองขาดเป็นแต่ละข้อละข้อ ถ้ามองขาแต่ละข้อแสดงว่าพลาดนะการมองลักษณะคือเคลื่อนในกระบวนการนี้เรียกว่าลักษณะเชิงใจศึกษาการมองเชิงใจศึกษาก็เลยขอยกตัวอย่างคําว่าสบายคําว่าสบายเนี่ยในภาษาไทยเรามองแบบว่าอาแบบคนมืออ่อนเท้าอ่อนพอสบายก็ปล่อยมือปล่อยเท้านอนใช่ไหมเลยนี่นี่เรีสบายใช่ไหมสบายไม่เคลื่อนไหว แต่ว่าถ้าดูความหมายบาลีสบายคืออะไรสบายก็คือลักษณะที่เอือ้อหรือหนุนต่อการทาต่อไปหรือเอื้อต่อวัตถุประสงค์อื่นที่มีต่อไปไม่ใช่ว่าสบายเป็นจุดจบแล้วก็เพลินปล่อยเลยสบายในภาษาบาลีคือสบายะสบายก็คือเอือ้อเอื้อต่อวัตถุประสงค์ต่อไปมันไม่มีอะไรมาบีบไม่มีอะไรมาขัดทำให้เอือ้อ อายกตัวอย่างที่มันจะชัดหน่อยสบายเช่นว่าถ้าบอกว่าอสุภะคือซากศพเป็นที่สบายแกโคราคัจริตถ้ามองแบบไทยเอย้มันจะสบายได้อย่างไงนะใช่ไหมเลยพ่อโยมบอกว่าซากศพเป็นที่สบายแกโคราคัจริตเออโคราชราชจริตมันจะสบายได้ไงละซากศพเนี่ยเห็นไหมภาษาบาลีไม่เหมือนภาษาไทยสบายหมายความมันเอื้อเอื้อต่อการพัฒนาโคราคัจริต พรละร้าจลิตได้ซากศพมาพิจารณาและจะเจริญก้าวหน้าต่อไปหรืออย่างได้ที่อยู่สบายถ้าได้เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยไม่สบายไม่เป็นสปายะการปฏิบัติธรรมยากสมาธิเกิดได้ยากเนืพรุ่งพล่านใจคอกวนกระวายว้าวุ่นสับสนพอได้ที่อยู่ที่เหมาะเสนาสนะสปายะถ้าจิตก็สงบก็ทําให้บําเพ็ญสมาธิได้ง่ายสบายมันเกื้อหนุนให้ ไปสู่วัตถุประสงค์ที่ว่าสบายนี้ไม่ใช่ว่าเพื่ออยู่สบายสนาสนาสบายก็เพื่อจะได้เจริญสมาธิได้เป็นต้นคือมันเอื้อต่อวัตถุประสงค์ที่จะเดินก้าหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นจะต้องมองให้ดีนี่คนไทยมองสบายแบบหยุดเลยนอนนิ่งนี่แสดงว่าพลลดหรือไม่แต่สุขสุขนี่เราก็มองแบบว่าสุขก็ทุกมาสนานดิ้นลนมาพอสุขก็นอนสบายแล้วนะสุขนี่แปลว่าอะไรสุขแปลว่าสะดวก นะใช่ไหมเลยบอกสุ ข, สขนี่สุขขาดว่สะดวกแปลว่าคล่องแปลว่าง่ายไอ้คำว่าสะดวกคล่องง่ายมันต้องสัมพันธ์กับการกระทาใช่ไหมทําง่ายทําคล่องทําสะดวกเคลื่อนไหวไม่ใช่หยุดเพราะฉะนั้นสุขเป็นสภาวะเอื้อช่วยให้เราทําอะไรได้ง่ายเ mm. มื่อกี้จึงบอกว่าเราปฏิบัติต่อสุขผิดทุกมันร้ายที่ว่ามันทําให้บีบคั้นทําให้เกิดภาวะไม่สบาย มันบีบคั้นมันแยน่ทีนี้พอทุกข์เราใช้เป็นก็ทําให้ดิดน้นรนเกิดพลังทีนี้สุขก็เหมือนกันถ้าใช้ไม่เป็นก็พอสบายสุขก็ปล่อยหยุดแต่ทีนี้สุขเน้นสภาวะที่ใช้ถูกต้องก็คือมันเอือ้อมันคล่องมันสะดวกทําให้เราเคลื่อนไหวทหําอะไรได้สะดวกตอนที่เราสุขไม่มีอะไรบีบคั้นไม่มีในไรคิดไม่มีอะไรขัดข้อง กีดขวางเราจะทําอะไรก็ได้ง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะรีบสร้างสารรค์ทําการอะไรก็ได้ตอนสุขนั่นแหละแต่คนมักจะไม่ใช้โอกาสนี้กลายไปว่าเลยกลายไปว่าพอสุขก็นอนก็ใช้โอกาสเป็นเคราะประมาทไปเลยนี่ถ้าใช้สุขเป็นก็กลายเป็นทําง่ายทําคล่องทําสะดวกอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งที่จะต้องมาพิจารณากันให้ดีเพราะนั้นสุกทางพระีจะไม่หยุดแค่นั้นเพราะสุกจะเป็นฐานให้เกิดสมาธิใช่ไมลุงหมอ สมาธิจะเกิดยากถ้าไม่มีสุขเพราะฉะนั้นสุขเป็นประถัทฐานของสมาธิสุขช่วยให้เกิดสมาธิสมาธิใจมั่นพอสมาธิเกิดแล้วหนุนต่อไปให้เกิดการใช้ปัญญาได้ไง่ายต้องต่อเนื่องกันไปอย่างนี้เรื่อยอันนั้นอย่ามองแบบหยุดนิ่งต้องมองแบบเอื้อโอกาสมองแบบสุขสบายเป็นต้นเป็นสภาพเอื้อเอื้อต่อโอกาสในการทําการเดินหน้าต่อไปก็คือในกระบวนการ คลื่เคลื่อนส่งต่อในใจศิกขาเดินหน้าไปนจนกว่าจะถึงจุดหมายก็อย่างสันโดษเรามองว่าเพื่อสุขก็จบเพราะว่าเรามีวัตถุน้อยเราก็สุขได้แล้วนอนก็ขี้เกียจ น, นี่สันโดษท่านบอกว่าเราสุกง่ายด้วยวัตถุน้อยเราจะได้ไม่ต้องมัวมัวกวนกระวายวุ่นวายกับการหาวัตถุมาเสพเพราะเราไม่กบกระวายวุ่นวายกับหาวัตถุมาเสพ เวลาแรงงานและความคิดของเรานี่เหลือเฟือแล้วตอนที่เราไม่สันโดษนี่เราต้องเอาเวลาแรงงานและความคิดนี่ไปยุ่งกับการแสวงหาวัตถุมาบำรุงบำรเล่เศษบริโภคเพื่อตอนเองจะหาความสุขให้ได้ไม่สุขสักทีนี่พอเราสุขง่ายในวัตถุน้อยเราสันโดษอ้าวแรงงานก็เหลือเวลาและก็เหลือความคิดก็เหลือเอาเวลาแรงงานและความคิดนั้นไปทํางานทําหน้าที่ทําการสร้างสรรค์ปฏิบัติธรรมถ้าเป็นพระ ส้นโดดในปัจจัยสี่ปักก็มีเวลาไปทําหน้าที่เล่าเรียนปฏิบัติเผยแผ่คําสอนได้เต็มที่นั้นสันโดดก็เป็นสภาพเอื้อส่งต่อคือเคลื่อนในกระบวนการต่อไปนั้นถ้าเราสอนมองส้นโดดแบบว่าจะได้สบายแล้วนอนก็จบแน่นอนนั้นส้นโดดก็เป็นสภาพเอือ้อและเป็นตัวส่งต่อในกระบวนการหรืออย่างสมาธิก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เวลานี้ใช้สมาธิเป็นตัวกล่อมเยอะเลย สมาธิเพื่ออะไรจะได้สุขสงบสบายนอนมีปัญหาอะไรจะได้ขับสมาธิสลบปัญหาไม่ต่องคิดแล้วปล่อยปัญหาทิ้งไว้ไม่ได้แก่อนั้นเป็นเพียงชั่วคราวเหมืนอนยานอนหลับแต่คนที่กินยานอนหลับแก้ปัญหาได้ไม่ไม่ได้ใช้เป็นที่พักจิตแตกเสร็จแล้วสมาธิประโยชน์ที่แท้ก็คือว่าเป็นการสร้างสภาพจิตที่ท่าเรียกว่ากรรมนิย่างทําให้จิตคูณกันงาน จิตที่เป็นสมาธิคือจิตที่เหมาะกับการใช้งานมากที่สุดใช้มันเลยเอาไปใช้ความคิดสติปัญญาตอนนี้เราคิดออกคิดชัดคิดแล่นไปเลยคนที่จิตใจว้าวุ่นมันคิดอะไรไม่ออกมันสับสนวุ่นวายมันตันพอมีสมาธินี้มันคิดแน่วแน่ไปทะลุตลอดโปรง่ปรงและก็ชัดเจนแจ่มใส น, นั้นสมาธิจึงเป็นฐานของปัญญาไปสิอขาศีลส่งต่อสมาธิสมาธิส่งต่อปัญญาไม่ได้หยุดจะไปสมาธิ ด้วนไปนอนหลับซะนี่เนี่ยใช้ไม่ได้นล่ดังนั้นเราใช้สมาธิเป็นตัวกล่อมกันกันเยอะอันนี้ก็คือการที่มองอะไรต่ออะไรโดยแบบหยุดนิ่งขาดความสัมพันธ์นีและก็ไม่มองเชิงเหตุปัจจัยไม่มองเชิงใจศีกษาคือเป็นองค์ประกอบที่ให้เราคืบเคลื่อนส่งต่อในกระบวนการเดินหน้าอย่างที่ว่าเมื่อกี้ตอนนี้หรืออย่างตรงอ น, นิจจังก็เหมือนกันตรงอ น, นิจจัง พอมีอะไรทัดพลาดแตกหากก็เออสิ่งทั้งหลายก็ไม่เที่ยงแท้หมดเลแตกได้ดับได้ดับไปใจสบายอันนี้เป็นเพียงการรู้เท่าทันขั้นที่หนึ่งพอมันประนิจจังได้พระเจ้าบอกว่าอ น, นิจจาว่าจะสังขาราแนบยยะธรรมาสังขาราปรมาเทในสัมปาเทถะสังขารหรือสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแทแ้แนนอนเสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นอย่านอนใจจงไม่ประมาทใช่ไหมอันนี้จังก็นําไปสู่การไม่ประมาท สิ่งทั้งหลายชีวิตของเราก็ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่อนอยเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นจะนอนใจอยู่ไม่ได้นอนใจอยู่ไม่ได้ต้องลุกขึ้นดิน้นรนผลขวายแก้ปัญหาโดยศึกษาเหตุปัจจัยและทําที่เหตุปัจจัยอย่างนี้มันจึงจะไปได้เอาเวลาจะหมดแล้วเลยพรอโอ้นี่หมดจริงๆแล้วอันี้ก็ขอพูดสัน้นๆเลยก็แล้วกันว่าสิ่งที่สําคัญต่อไปก็ขอยกเป็น สิ่งที่เจอต้องพูดว่าอย่ามองแคบแค่ไทยอย่ามองใกล้แค่ข่าวทุกเวลานี้ยิ่งเกิดความทุกข์วิกฤตเนี่ยมันชวนให้เรามองแคบมองแต่ตัวบางทีไม่มองแค่ไทยด้ซ้ามองแค่ตัวเองเนี่ยคนเดียวเลยมองแค่ไทยก็ยังดีแต่มองแค่ไทยยังไม่พอต้องมองไปทั่วโลกเราจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์โดยเฉพาะระยะยาวต้องมองทั่วโลกมองได้ความรู้เท่าทันนะ อย่างน้อยไม่ถูกกระแสพัดพาไปไหลาตามกระแสไม่ถูกภายนอกครอบงำรู้ทันแล้วก็จะได้กล้าไปสู่การที่คิดไปร่วมรับผิดชอบสร้างสารรค์อารยธรรมของโลกรับผิดชอบโลกด้วยนะอย่าไปคิดแค่รับผิดชอบเมืองไทยเท่านั้นนี่มองอย่ามองแคบแค่ไทยแล้วทําจิตทําปัญญาให้สมกับโลกาภิวัตน์บอกเป็นโลกาภิวัตน์แล้วคิดแคบเดียรมองแค่ตัวเองคนเดียวมองแค่เมืองไทย ก็โลกาภิวัฒตทำจิตให้มันสมทำใจให้มันกว้างและใช้ปัญญามองกว้างให้รู้เท่าทันโลกให้รู้เหตุปัจจัยความเคลื่อนไหวในโลกรู้กระแสเหตุปัจจัยรู้ฝรั่งก็รู้ให้ถึงเหตุปัจจัยขอ ง, ของฝรั่งอย่าทุรู้แค่ผลรู้แค่ปรากฏการณ์เขาฝรั่งไม่ได้ฉะ น, นั้นต้องมองกว้างออกไปแล้วก็อย่ามองใกล้แค่ข่าวทุกข่าวทุกก็มองกันแค่นี้ต้องมองยาวต่อไปข้างหน้า นะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรจะสร้างสารร์ประเทศชาติจุดหมายอย่างไรแล้วก็ไม่ใช่มองแค่เศรษฐกิจสิ่งที่ดีงามที่ต้องทําเยอะนะไม่ใช่ว่าพอแก้เศรษฐกิจได้ต่อไปที่เราสบายพอสบายก็ น, นอนอย่างไรทีนะี้แล้วก็ฟุ่มสฟืยอีกต้องมองต่อไปเศรษฐกิจเป็นเพียงปัจจัยพระบอกว่าวัตถุเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเปิดใจเกื้อหนุนให้เราก้าวไปทําสิ่งที่ดีงามสร้างสารรค์อื่นต่อไปแล้วการเป็นผู้นําในโลกไม่ใช่นําแค่ทางวัตถุต้องนําทางจิตปัญญา การนำที่แท้ยั่งยืนคือการนำทางจิตใจและทางปัญญา น, นั้นสังคมไทยนี่จะไปมุ่งหมายเห็นเขาเป็นผู้นำในโลกทางเศรษฐกิจก็อยากจะเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจบ้างมันยังน้อยไปต้องเป็นผู้นำทางปัญญาให้ได้นะไทยจะต้องเป็นผู้นำทางปัญญาพัฒนากันต่อไปแล้วเอาเศรษฐกิจมาเป็นฐานเป็นปัจจัยเอื้อในการเป็นผู้นำทางปัญญานั้นถ้าอย่างนี้เราก็ไปได้แล้วก็ สุดท้ายก็คงจะบอกว่าเตรียมทสร้างฐานสังคมใหม่ให้ดีตอนนี้ถึงสังคมใหม่หรือถ้าพูดไม่เอาใหญ่เกินไปก็สังคมยุคใหม่ตอนนี้เมืองไทยต้องขึ้นยุคใหม่แล้ ว, ส, ลวสร้างฐานสังคมใหม่ใ ห, ให้ดีตอนนี้เมืองไทยเท่ากับมาถึงโค้งใหม่แห่งประวัติศาสตร์แล้วโค้งนี้ของประวัติศาสตร์เป็นโค้งสําคัญจะเป็นหัวลหัวตรก็ได้เราจะไปดีหรือไปร้ายตอนนี้ต้องไปให้ดีโค้งนี้ทําให้ดีที่สุด โดยเฉพาะก็คือการถือโอกาสที่จะให้การศึกษาการฝึกฝนอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะมาสร้างชาติเด็กจะเป็นผู้สร้างชาติได้เด็กต้องเป็นนักสร้างสรรค์เนี่ยตอนนี้เด็กของเราเป็นนักบริโภคจะสร้างได้ยังไงใช่ไรนก็จะสร้างชาติแล้วทำไมเป็นนักสร้างสรรค์มันจะสร้างได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาเด็กให้เป็นนักสร้างสรรค์ให้ได้การที่เด็กจะเป็นนักสร้างสรรค์ได้ก็จะต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ แล้วก็สู้สิ่งยากเป็นนักผลิตเป็นฝ่ายเป็นผู้ฝ่ายศึกษาเป็นผู้ฝ่ายสร้างสรรเป็นนักผลิตอย่างน้อยต้องเป็นนักผลิตเลยนะถ้าเป็นนักบริโภคมันไปไม่ได้นักผลิตก็เป็นการสร้างสรรชนิดหนึ่งอย่างง่ายๆกล้าไปก็เป็นนักสร้างสรรที่แท้จริงแล้วก็เรามีเรื่องเสพเรื่องศึกษาและสร้างสรรสามอันเนี้ยเราอย่าหยุดแค่เสพวงจรจบแค่เสพก็เป็นอันวตันแน่ เสพต้อมาใช้ให้เป็นปัจจัยการศึกษาแล้วการศึกษาเป็นปัจจัยการสร้างสรรค์เสพไม่ใช่เสพพอเพื่อเพลินบ ำ, บ ำ, บำรุงบำรุตัวเองสุขสบายเสพบริโภคปัจจัยเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้พร้อมเราต้องมีวัตถุบ้างเพื่อเสพแต่เสพนี่เรามีจุดหมายเพื่อเราจะได้มีกําลังพร้อมมีวัตถุเป็นปัจจัยฐานพร้อมแล้วเราจะได้ศึกษาพอศึกษาแล้วเราจะได้พร้อมที่จะทําการสร้างสรรค์เพราะมีปัญญาที่จะทําอะไรให้เป็นอันนี้ ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเพื่อเสพเราก็จบแค่หาความสุขใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมท่านเดียวดูทีวีแต่ละวันก็เล่นแต่การบันเทิงตกลองว่าใช้เทคโนโลยีใช้ไอทีเพื่อเสพนะเดี๋ยวนี้ถามเด็กไทยอาตมาถามก็ปรากฏว่าเด็กยอมรับว่าฉันใช้ทีวีใช้ไอทีใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเสพ้ซนต ใช้เพื่อศึกษาไม่ถึงส0เแล้วก็สนทนากันไปเด็กบอกว่าต่อไปนี้จะแก้เอาห้าสบห้าิจะใช้เพื่อเสพห้ิบใช้เพื่อศึกษาห0แต่ว่าอาจารมาบอกว่าเอาตอนนี้ยอมให้เด็กเห็นใจเด็กให้ใช้เพื่อเสพเจเอร์ซเลยยอมแต่ขอให้ใช้เพื่อศึกษา30นถ้าเด็กใช้ทีวีเพื่อศึกษา30มบเรมืองไทยเริ่มตั้งตัวได้ ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาเพื่อสร้างสรรค์สักสาอร์เซแหละเอาแค่นี้ก่อนเพราะนั้นให้เศษเป็นปัจจัยการศึกษาให้ศึกษาเป็นปัจจัยการสร้างสรรค์แล้วเด็กของเราเป็นนักสร้างสรรค์แล้วเราจะสร้างชาติไทยได้แน่นอนยุคที่ผ่านมาเราต้องยอมรับเราอาจจะเป็นผู้ผิดว่าเราเป็นยุคกินบุญเก่าสเสวยผลแล้วก็นอนสบายฟุ้งเฟ้อเป็นนักบริโภค แถมบางทีไอ้สวยบุญเก่านั้นเป็นบัคบริโภคนั้นไปชื่นชมสมบัติที่ยืมเข้ามาซะด้วยไม่ใช่สมบัติของตัวเองนะนะความสุขความคล่องเคร้อหที่มีตอนที่แล้วนี่เป็นสมบัติที่ยืมเข้ามาใช่หรือเปล่าไม่ใช่สมบัติที่ตัวสร้างขึ้นด้วยถ้าสร้างมาแล้วชื่นชมเสวยผลบุญเก่าก็ยังแย่แล้วไม่สร้างต่อนี่ยังไปเอาสมบัติของคนอื่นมาชื่นชมมันก็ยิ่งแย่ใหญ่เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องสร้างของตัวเองให้ได้ ต่อไปนี้ต้องเป็นยุคสร้างสรรคเราจะต้องสร้างเด็กไทยรุ่นใหม่ให้เป็นยุคแห่งการสร้างสรรค์สังคมไทยยุคใหม่ให้ได้โดยการที่พัฒนาเด็กให้การศึกษาเด็กให้เป็นนักสร้างสรรค์ให้ได้ให้เป็นผู้ใฝ่รู้สู้สิ่งยากไฝ่ศึกษาฝ่สร้างสรรค์เป็นนักผลิตที่ใจสู้สู้ยากบักบันไม่กลัวทางข้างหน้ายาวไกล ไทยพร้อมที่จะเดินไปหรื อ, อยังขอถามเท่านี้นั้นก็ขอจบปจาจกถาวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกท่านในที่ประชุมและก็นอกที่ประชุมด้วยขอทุกท่านจงมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในปีใหม่2541และตลอดไปโดยทั่วกันทุกท่านเทินขอเจริญพร วันนี้อัตมภาคคณะพระสงฆ์ขออนุโมทนาในการที่ท่านประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินปรืออรศาได้มาทอดพระป่าถวายแก่พระสงฆ์นับว่าเป็นการทาบุญประเภทที่เรียกว่าสังฆทาน ในการที่ได้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาคือการถวายทานนี่ก็ถือว่าเป็นบุญอยู่แล้วและตามหลักถือว่าถ้าถวายเป็นสังฆทานยิ่งไ็ได้บุญมากมีการทอดพระป่านนี่ถือว่าเป็นสังฆทานชนิดหนึ่งที่ถือว่าสังฆทานได้บุญมากก็เพราะว่าเป็นการถวายแก่สงฆ์ สงหมายถึงส่วนรวมไม่ได้ถวายแก่พิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพราะ่านนั้นมีสองประเภทคือให้หรือถวายแก่บุคคลหรือจาเพาะเป็นพระพิสุกอขอเป็นต้นอันนั้นถือเป็นการถวายสามัญทีการถวายที่มุ่งแก่ส่วนรวมเรียกว่าถวายแก่สงถ้าเรียกตามภาษาวิชาการเรียกว่า ถวายอุทิศส่งก็ถือว่ามีบุญมากมากกว่ถวายเจาะตัวเองเพืาะว่าถวายอุทิศส่งนั้นก็หมายความว่าแม้ถวายแก่พระภิกษุสามรูปสี่รูปหรือแม้แต่รูปเดียวเนี่ยถวายแก่ท่านในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของส่วนรวมคือไม่ได้ถวายในฐานะที่เป็นพระภิกษุกอกขอเมื่อถวายในฐานะที่เป็นตัวแทนของส่วนรวมใจของผู้ถวายเนี่ย มองหรือมุ่งไปที่ส่วนรวมไม่ได้ไม่ได้หยุดอยู่แค่บุคคลแล้วก็มองไปถึงงานที่พระจะต้องทำทั้งหมดก็จะมองไปว่าการที่ถวายปัจจัยสี่อาหารเครื่องหนุงห่มเป็นต้นในถวายเพื่อสนับสนุนให้พระสิกสุทั้งหลายเนี่ยมีกำลังนี่ ว, ว, นว่าถวายกำลังเลยพูดเป็นตรงๆว่าถวายกาลังแกท่าน ในการทํางานพระศาลธรรที่เรียกว่ า, าศาสนากิจศสาสนธนกิจหรืองานพระศาสนาของพระนั้นก็โดยย่อ ก, ก็มีสามประการคือหนึ่งเล่าเรียนที่เราเรียกกันว่าปริยัตเล่าเรียนคําสอนที่เรียกว่าธรรมวินปิณย์แ้วต่อจากนั้นขั้นที่สองก็คือปฏิบัติเมื่อเล่าเรียนแล้วก็เอามาปฏิบัติเอามาใช้เอามาดําเนินชีวิตทําให้เป็นจริงขึ้นมาหรือลงมือทำ นี่คันที่สองแล้วต่อไปสามก็คือว่าเอาไปถวอยแผ่ให้ผู้อื่นได้ทราบด้วยสิ่งที่เล่าเรียนแล้วปฏิบัติได้ผลมีประสบการณ์อะไรก็เอาไปแนะนำสั่งสอนแก่ประชาชนตอนนี้ก็จะขยายผลขยายประโยชน์เอาไปสู่สังคมเพื่อจะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขด้สันติสุขแก่สังคมนี่ผู้ที่ถวายสังฆทานนี้ถวายด้วยใจที่มองไปถึงประโยชน์ส่วนรวม เมื่อที่ถวายกับพระนี้ท่านจะได้ใช้ประโยชน์และท่านจะได้มีกําลังทํางานของท่านอย่างที่กล่าวมาทั้งเล่าเรียนปริยัติปฏิบัติและก็เผยแผ่ตามคําสอนทําให้ธรรมะดํารงอยู่ทําให้พระาศาสนาดํารงอยู่และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนเพราะถ้่ากับว่าท่านผู้ถวายทานนี้ได้มีส่วนร่วมกันกับพระสงฆ์ในการที่ดํารงพระาศาสนาไวา้และบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่สังคม ด้วยใจที่บำเพ็ญสังฆทานด้วยความรู้สึกที่กว้างขวางมองกว้างออกไปอย่างเนี้ยจิตใจก็จะมีความเต็มอิ่มมากขึ้นคือถ้าถาวายแกพระภิกษุรูปเดียวก็แคบแต่ถ้าถาวายแกท่านแม้แต่รูปเดียวจะมองในแง่เป็นตัวแทนของส่วนรวมเนี่ยเรามองไปถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกว้างขวางและยาวไกลใจิตใจก็กว้างขวางไปตาม ความติดใจกว้างขวางความรู้สึกเต็มอิ่มก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะเกิดความรู้สึกว่าเราได้มีส่วนร่วมอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ในการที่ทําให้ระศาสนาตั้งอยู่ทําให้สังคมมีความร่มเย็ยนเป็นสุดก็จึงถือกันมาว่าสังฆทานไม่มีผลมากแต่ที่ว่าถือกันนี่เป็นพุทธพจน์เลยพระพุทธเจ้าตรัสตัวเองว่าสังฆทานไมมีผลมากที่สุดเถื่อถวายแก่สงฆ์คือถวายอุทิศสงฆ์ อุทิ่ก็คือใจเรามุ่งไปที่ส่วนส่วนรวมโดยที่ว่าเมื่ีเพราะฉะนั้นอาตมภาพจริงอนุโมทนาคณะกรรมการีิ่านประธานมาในวันนี้ที่มาถวายสมบัริม า, าได้บำรุงประสาสนาแล้วมันเป็นประโยชน์สุขเพื่อประชาชนเพื่อสังคมส่วนรวมได้มีส่วนร่วมกันในการที่ทำประโยชน์นี้ให้เกิดขึ้นมา ในสังคมทุกวันนี้กําลังต้องการเรื่องของการช่วยเหลือกันกว่าพอเป็นสังคมที่เกิดวิกฤตการอนนี้วิกฤตการณนี้เป็นวิกฤตการที่เราเรียกว่าทางเศรษฐกษษษิจเป็นเรื่องทางด้านวัตถุเป็นเรื่องเงินเงินทองทองเรื่อ ง, อ ง, องวัตถุนี้ทางศาสนาก็ถือว่าสําคัญว่าเราจะมีคำว่าปัจจัยสี่อี่ไว้เป็นสิ่งจําเป็นสาหรับชีวิต ถ้าขาดปัจจัยซะแล้วการที่จะดำเนินชีวิตนี้เป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อดําเนินชีวิตไม่ได้ก็เป็นอยู่ไม่ได้ทําอะไรต่างๆก็ทําทได้ลําบากติดขดัดถึงพระภิกษุสงฆ์ก็ต้องอาศัยปัจจัยสีน่นี้จะมีคําพิเศษเรียกปัจจัยสี่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ว่านิสัยนิสัยแปลว่าสิ่งที่ต้องอาศัยแต่ว่านิสัยสี่หรือวัตถุนั้นก็มีขอบเขตจํากัดคือเป็นด้านหนึ่งของชีวิต คือเป็นที่อาศัยจริงๆที่อาศัยไม้พาเราอาศัยมันเป็นฐานแล้วเราจะได้ทําอื่นที่สูงขึ้นไปได้ดียิ่งขึ้นไม่ใช่หมายพาเป็นจุดหมายนี่สังคมปัจจุบันนี้เวลาเกิดวิกฤตเนี่ยมันจะมีสภาพปัญหาอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นคือว่านอกจากวิกฤตทางวัตถุแล้วปัญหาเกิดขึ้นกับจิตใจคนด้วยจิตใจคนก็คือว่าความทุกข์ที่ติดขัดเพราะความบีบคั้นทาง วัตถุความขัดแคลนหรือความประทบ ก, กระทั้งต่างๆที่เป็นอย่างนี้อาจจะเป็นด้วยเหตุนหนึ่งก็คือสังคมของเราที่ผ่านมานั้นเราได้ไปฝากความหวังความสุขหรือแต่ละคนก็ฝากชีวิตไว้กับวัตถุมากเกินไปความจริงนั้นคนเรานั้นมีสองส่วนคือกายกับใจ แล้วก็ชีวิตของคนก็ไม่ได้อยู่กับรูปธรรมอย่างเดียวก็อยู่กับสิ่งที่เป็นนามนธรรมด้วยแม้แต่ความสุขก็มีสองด้านคือความสุขทางวัตถุ ก, ก็มีความสุขทางด้านนามนธรรมก็มีนึกสุกกายก็มีสุกใจก็มีคนเราที่สมบูรณ์นั้นก็ควรจะมีทั้งสองด้านคือทั้งสุกกายและสุกใจสุขที่เป็นรูปธรรมและสุขที่เป็นนามนธรรมแต่ถ้าผู้คนในสังคมนี้ไป ฝากความหวังฝากชีวิตไว้กับวัตถุมากเกินไปเวลาผิดหวังเกิดความบิดทันขาดแคนทางวัตถุก็จะเกิดความทุกข์มาถ้าคนไหนนี่ได้ดำรงชีวิตอย่างสมดุลนี่คือว่าถือว่าชีวิตมีทั้งสองด้านทางด้านกายด้านใจและด้านใจเรายังมีหลักเรายังมีที่ให้ความหวังความสุขอย่างคนเราอาจจะมีความสุขจากไมตรีจิตมิตรภาพ ความสุขจะเกิดจากการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากการให้แก่กันความสุขเกิดจากการทำสิ่งที่ดีงามความสุขเกิดจากการให้แสวงหาความรู้ให้แสวงหาสติปัญญาความสุขเกิดจากการรื่มกับธรรมชาติความสุขเกิดจากการทำจิตใจให้สงบผ่องไสอะไรต่างๆเป็นต้นเนี่ยถ้าคนเรามีความสุขจากด้านจิตใจหรือด้านนามธรรมมา ควบคู่ อ, อ, อ, อยู่ด้วยเนี่ยเวลาเกิดปัญหาทางด้านวัตถุ ก, ก็จะไม่ถูกบีบคั้นเต็มที่หรือโดยสิ้นเชิงคือจิตใจเขายังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังเป็นหลักให้ได้เพราะนั้นคนที่ดำเนินชีวิตมาอย่างสมดุล น, นี่เวลาเกิดอุปสรรคเกิดความทับแค้นเสื่อมโทรมทางวัตถุ ก, ก็จะไม่ทุกเกิดไปในสังคมองเรานี้ เข้าใจว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มุ่งหวังฝากชีวิตและความหวังความสุขไว้แต่วัตถุมากจนกระทั่งเป็นสังคมที่กลายเป็นถูกกันนามหรือถูกต่อว่าว่าเป็นวัตถุนิยมเป็นบริโภคนิยมไปเลยเวลาเสียหลักนานวัตถุ ก, ก็เลยเคว้งคว้างเลยเพราะด้าจิตใจไม่มีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เตือนสติหรือกลับเป็น สิ่งที่มาช่วยก็ได้นะเรื่องวิกฤตการณ์เนี่ยทำให้คนไม่หลงและเลงลอยไปทางเดียวเกินไปมาเป็นตัวยับยั้งว่าเอออีกด้านหนึ่งท่านอย่าปล่อยนะต้องทําชีวิตให้สมดุลมีด้านจิตใจด้วยฉนั้นตอนนี้ก็เราก็มาให้สติกับสังคมกันว่าทํางไงเราจะได้ดำเนินชีวิตให้สมดุลให้ชีวิตเนี่ยอยู่กับทั้งสองด้านทั้งด้านรูปธรรมและนมามธรรมให้มีความสุข้อมทั้งด้านกาย และดานใจแล้วเมื่อมีความสุขในด้านใจมาประกอบเนี่ยการแสวงหาวัตถุไม่มากไม่เกินเลยไปก็จะลดการเบียดเบียนลงด้วยสังคมเองก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นแล้วก็อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็ดังที่กล่าวมาก็คือเรื่องที่ว่าการมองวัตถุในด้านเศรษฐกิจเนี่ยไม่ให้มองเป็นจุดหมายเมื่อสังคมฝากชีวิตไว้กับวัตถุ เราจะเอาวัตถุไปจุดหมายคนจะมองว่าเออเรามีชีวิตยอยู่เพื่อให้มีวัตถุครลังพร้อมเมื่อใดเรามีวัตถุเสรบริโภคครลังร้อมวันนั้นเราจะมีความสุขสมบูรณ์คนจำนวนมากจะคิดอย่างนี้นมีทานวสอสนานั้นท่านให้มองวัตถุรูเดเรื่องด้านเศรษฐกิจนี้เป็นปัจจัยคาว่าเป็นปัจจัยก็คือเป็นเครื่องเครื่องเครื่องหนุนเป็นเครื่องช่วยให้เราก้าวไปทําสิ่งที่สูงขึ้นไปได้ดีกว่านั้นได้ ถ้าเรามองวัตถุรูปเศรษฐกิจนี้เป็นปัจจัยเป็นตัวเกื้อนหนุนแล้วเรามีจุดหมายที่สูงตนนั้นเราจะมีทางเดินไปอีกนี่ถ้าเราเอาไปจบแค่วัตถุเป็นจุดหมายจะแล้วชีวิตก็ตันชีวิตบุคคลก็ตันสังคมก็ตันชีวิตบุคคลก็จบแค่วัตถุว่าเออเราจะทําไปเพื่อได้มีวัตถุพรอ้อมพร้อมแล้วเราก็จะสุขสมบูรณ์ทีนี้วัตถุนี่มีปัญหาก็คีดหนึ่งคนจะเบื่อนหน่ายได้เมื่อไปถึงระดับ และก็เมื่อแมงไม่ได้ก็อาจจะผิดหวังแล้วบางทีอยู่ไปเนี่ยชีวิตที่อยู่กับวัตถุอย่างเดียวเนี่ยจะมองไปมองมาวัตถุเริ่มไม่มีความหมายหรือหมดความหมายเมื่อถึงเวลานั้นนั้นเขาจะยับยั้งไม่ได้แล้วเพราะว่าได้เอาวัตถุเป็นจุดหมายมาตลอดก็คือเมื่ อ, อไรเขาเบื่อหน่ายวัตถุเขาจะเบื่อหน่ายชีวิตด้วยเพราะเอาชีวิตไปเป็นอันเดียวกับวัตถุ เบอร์นายวัตถุก็เบอร์นายชีวิตด้วยผิดหวังวัตถุก็ผิดหวังชีวิตด้วยวัตถุหมดความหมายชีวิตก็หมดความหมายด้วยซึ่งเป็นปัญหาของสังคมที่เจริญทางวัตถุมากแต่หากว่าเรามองวัตถุเป็นปัจจัยเป็นเพียงเครื่อหนุนเป็นเพียงเครื่องเกรื้อหนุนเรามีสิ่งที่จะเดินหน้าไปอีกเยอะแยะเราจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยเราจะไม่หมดความหมายชีวิตไปกาเรื่องของวัตถุเช่นนั้น นั้นอันนี้ก็จึงได้กล่าวว่าในแง่หนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าเหตุการณ์วิกฤตนี้มาช่วยให้เราได้ ส, ดสติให้เราอาจจะไม่หลงกับวัตถุจนกระทั่งกลายเป็นเลยไปจนกระทั่งกลับตัวไม่ได้นี่พอเกิดปัญหาจากวัตถุเศรษฐกิจแล้วก็เกิดความทุกข์พอเกิดความทุกข์คนก็เอาอีกปฏิบตัติต่อเรื่องทุกข์และสุขไม่ถูกอีกเรื่องทุกข์เรื่องสุขนี้ก็ต้องมีวิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง ทังทุกข์และสุขนั้นถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็เกิดโทษทั้งสองอย่างทุกข์ก็เป็นโทษสุขก็เป็นโทษไม่ใช่ว่าสุขนั้นดีแล้วปฏิบัติถูกต้องทุกข์ก็เป็นประโยชน์สุขก็เป็นประโยชน์ทําไมว่าทุกข์จึงเป็นประโยชน์มองในแง่โทษก่อนทุกข์นี่บีบคั้นภาษาพระคำว่าทุกข์แล้บีบคั้นติดขัดทับห้องตรงกับคาที่เราใช้ว่าปัญหามันบีบคั้นทําให้จิตใจเราไม่สบาย มันติดขัดเราจะทำอะไรก็ไม่สะดวกมันก็เกิดความรู้สึกวุ่นวายสับสนก็คือพูดง่ายๆก็ไม่สบายนั่นแหละทีนี้เวลามีทุกข์ออกมาถึงความรู้สึกที่มีความบีบคั้นนั้นอาการแสดงออกแบบนี้ก็กลายเป็นว่าเราได้รับโทษจากความทุกข์ไปเลย <Yeah. S 1> ก็คือปฏิบัติไม่ถูกแต่ว่าถ้าปฏิบัติถูกจะทุกข์ก็คือว่าทุกข์เนี่ยมันบีบ ผลอย่างหนึ่งจากการบีบก็คือจะเกิดแรงเกิดแรงดิ้นพอเกิดการบีบคั้นนี่กดดันเนี่ยคนจะดิ้นรนพอดิ้นรนแล้วเกิดพลังเกิดเรี่ยวแรงแล้วหาทางออกตอนนี้ความเพียรพยายามเป็นต้นจะมาเรี่ยวแรงกําลังจะมาเพราะนั้นจะมีวงจรอย่างหนึ่งในหมู่มนุษย์ปุถุชนท่านว่าคนเราเนี่ยเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามจะลุกขึ้นดิ้นร น, นขวาย เพราะนั้นพุกจะเกิดประโยชน์ตรงนี้ตรงที่ว่าถ้าเราใช้ให้เป็นก็เกิดแรงดิ้นร น, นขนฝายแล้วเอาแรงดิ้นหรือพลังดิ้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ก็ได้กําลังและเราก็จะเกิดการพยายามหาทางออกด้วยการคิดการใช้ปัญญาเป็นต้นจะมาคนคนเจอปัญหาก็จะใช้ปัญญาเมื่อใช้ปัญญาแล้วในที่สุดจะหาทางออกได้ก็จะพ้นไปและจะเกิดความเจริญกันนะเพราะฉะนั้น ทุกก็มีประโยชน์ตรงนี้ที่ว่าทำให้เกิดการวิรลนข้นขวายและเกิดพลังและเรามาใช้ประโยชน์ก็เดินหน้าได้นี้ในทางตรงข้ามสุขก็มีทั้งโทษและทั้งประโยชน์สุขมีโทษคือปฏิบัติไม่ถูกต้องวันเมื่อปฏิบัติไม่ถูกก็คิดว่าคนเราเนี้อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ทุกคู่กับสุข พอทุกบีบคั้นไผยคุกเขาาก็ดิด้นหลนขนฝายคนเราพอดิด้นหนขนฝายไปพอพ้นทุกสบายก็จะหยุด <Yeah. S 2> พอสบายปับบ๊บอีความโน้เอียงทันทีไม่ต้องดิ้นแล้วก็หยุดนอกจากหยุดแล้วก็สเสวยผลนลงนอนสเสวยความสุขสบายฉะนั้นก็จะหยุดหนึ่งแล้วไม่ก้าวหน้าต่อไปและสองจะเพลิดเพลินมัวเมาจะกความนิ่งเฉยเฉยชาก็จะทําให้เกิดความลำบาก พอประมาทก็เสื่อมทันทีฉะนั้นความสุขจึงมาคู่กับความเสื่อมได้ทันทีเมื่อประมาทนะนั้นวงจรคอมมนุษย์จึงบอกว่าเมื่อทุกบิบคั้นภัยทุกขามก็ลุกขึ้นดิ้นร น, นขนขวายเมื่อสุขสบายก็นอนเสวยสุขก็ความสุขก็จริงตามมาด้วยความเสื่อมจึงกระทั่งเมื่อไรทุกมากบีบคั้นก็ลุกขึ้นดิ้นร น, นขนขวายใหม่และพอสุขสบายก็หยุดนอนต่ออีกตามเดิม เพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนายถึงถือว่าวงจรปุถุชนนี้จะวงจะวนอยู่กับความเสื่อมความจเจริญอย่างนี้กับความทุกข์และความสุขเมื่อใดพัฒนามนุษย์ได้ให้ไม่ขึ้นต่อทุกข์และสุขให้เขามีความไม่ประมาทได้ปัญญาคือรู้ว่าต้องดําเนินชีวิตให้ถูกต้องด้วยปัญญาว่าอะไรควรทำไม่ควรทําอะไรจะเป็นเหตุความเสื่อมเว้นรีกทันทีทั้งท่าที่ตัวเองยังไม่มีอะไรบีบิ้น ไม่มีอะไรบีบคั้นก็เห็นได้ปัญญาว่าอันนี้จะนำมาซึ่งความเสื่อมป้องการทันทีอะไรที่จะนำมาซึ่งความเจริญแม้ยังไม่มีเหตุให้ต้องทำแต่ปัญญามองเห็นก็ทาทันทีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ได้ปัญญาเป็นความไม่ประมาทที่แท้ถ้าอย่างนี้มนุษย์จ ะ, จะเจริญได้โดยไม่ต้องเสื่อมทางพุทธศาสนาถือว่าอย่างนั้นเลยว่าถ้ามนุษย์ไม่ประมาท จ, จะเจริญโดยไม่ต้องเสื่อม ซึ่ไม่ขัดตลักอ น, นิจจังบางท่านจะเข้าใจเอพระพุทธเจ้ากัดอะไรนะเขาบอกว่าอ น, นิจจังไม่เที่ยงเมื่อเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมเสื่อแล้วก็เจริญไม่ใช่คนละเรื่องคําว่าเสื่อมกับคำว่าเจริญนีเญ่เป็นคำที่แสดงความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวคําว่าเสื่อมเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นอื่นคําว่าเสื่อมมันเป็นคำไม่ใช่คํานิ่งคําว่าเสื่อมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวคําว่าเจริญก็เปลี่ยนแปลงอยู่ในตัว นั้นคําว่าเสื่อมหรือเจริญนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วในตัวโดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนคำอื่นมาต่อและเสื่อมแล้วเสื่อมต่อไปก็เปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังอยู่แล้วเจริญแล้วเจริญต่อไปก็เป็นอนิจจังก็คือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทีนี้จะเจริญหรือเสื่อมจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนอยู่ที่เหตุปัจจัยที่เราทํางั้นทําให้ประมาทป้องกันเหตุปัจจัยความเสื่อมจะสร้างเหตุปัจจัยความเจริญทางพุทธจารย์บอก จเจริญโดยไม่ต้องเสื่อมดังที่มีหลักธรรมหลายหมวดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ท่านเรียกว่ า, าปริหารนิยธรรมแปลว่าทาที่ไม่เป็นที่ตั้งความเสื่อมซึ่งมีข้อความบอกว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วหวังได้แต่ความจเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยเนี่เพราะนั้นหลักพุทธสอนาสนาจึงสอนให้มนุษย์ไม่ประมาท โดยการใช้สติปัญญาอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติต่อความทุกข์และความสุขให้ถูกต้องนี้เราก็แปลนว่าไม่ต้องตกในวงจรที่ว่าพอทุกข์บีบคั้นภายบุบคุกขามลุกขึ้นที่หล น, นขวายจเจริญก้าวหน้ามาและพอสุขสบายก็ลงนอนและก็เสื่อมทีนี้ความสุขที่ปฏิบัติผิดก็คือว่าไปนอนสวยสุขสบายและหยุดทีนี้ความสุขที่จะทําให้เกิดความก้าวหน้า การปฏิบัติต่อสุขยังถูกต้องการปฏิบัติต่อสุขยังถูกต้องก็ดูความหมายของคำว่าสุขคำว่าสุขแปลว่าคล่องแปลว่าสะดวกแปลว่าง่ายคําว่าคล่องหรือสะดวกหรือง่ายมันสัมพันธ์กับการกระทานีน้คือว่าง่ายนั่นหมายถึงทําง่ายหรือสะดวกก็เคลื่อนไหวได้สะดวกหรือคล่องก็เหมือนกั น, กนเป็นการเป็นคําที่สัมพันธ์กับการกระทํา ก็หมายความว่าในภาวะที่เป็นสุขนั้นเราจะทําอะไรก็ทําได้ง่ายมันคล่องมันสะดวกถ้าภาวะทุกข์นี่มันติดขัดจะทําอะไรก็ติดขัดไปติดโนดติดนี่ทําได้ยากเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าทุกข์ก็แปลว่ายากทําได้ยากแต่พอสุขแล้วมันทําได้ง่ายตอนนั้นเรา พ, พร้อมมีวัตถุมีอะไรจะเพลจะทําไงก็ทําได้เพราะนั้นสุขถ้าคนปฏิบัติถูกต้องจึงมีแต่ทางจเจริญยิ่งขึ้น แต่ว่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้ผู้ดุชนมั่งจะพอสุขและสบายก็เลยหยุดทีนี้ถ้าใช้สุขให้เป็นก็คือว่าโอ้สุขนี่เป็นโอกาสเป็นสภาพเอื้อเหละพอมันเอื้อแล้วเราจะทําอะไรก็รีบทําะตอนนั้นวัตถุเราก็มีเศรษฐกิจเราก็ดีอะไรแต่ อ, อะไรก็คล่องสบายก็รีบทําะตอนนั้นเนี่ยถ้าใช้สุขให้เป็นประโยชน์ก็เลยจเจริญกันใหญ่ใช้สุขเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์นั้นตกลงว่าปัญหาของมนุษย์ไม่อยู่ที่เรื่องของ หนึ่งก็อยากที่อนุภาพกล่ามาดำเนินชีวิตไม่สมดุลฝากชีวิตฝากความฝากากความสุขไว้กับวัตถุอย่างเดียวมากเกินไปไม่มีด้านนมามธรรมด้านจิตใจเลยประการที่สองก็คือมองวัตถุเป็นจุดหมายแทนที่จะมองเป็นปัจจัยเป็นตัวเกื่อนหนุนที่จะทำสิ่งที่ดีงามสูงยิ่งขึ้นไปชีวิตและสังคมก็เลยมาจกแค่วัตถุ ประการที่สก็คือปฏิบัติต่อทุกกระสุกไม่ถูกต้องนั้นถ้าหากว่าเราแก้ไขปัญหานี้คิดว่าจะช่วยเหลือสังคมได้มากโดยเฉพาะการปฏิบัติต่อวัตถุให้ถูกต้องเพราะว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์วิกฤตในทางวัตถุในด้านเศรษฐกิจนั้นจะต้องมาวางท่าทีต่อวัต ถ, ถุ ก, กันให้ถูกต้องและสังคมก็จะเจริญ ก, ก้าวหน้าได้ต่อไปแต่ข้อสําคัญก็คือว่าจะต้อง ดำเนินชีวิตกันด้วยความไม่ประมาทเพราะจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งสังคมก็พลังพร้อมคนก็เริ่มจะฟุ้งเฟ้อรุ่มหลงมวเมานั่นคือความประมาทเพราะความประมาทมาความเสื่อมก็ตามมาด้วยความประมาทก็คือการที่สามารถปฏิบัติตามที่ปัญญาบอกได้อย่างแท้จริงปัญญาบอกแล้วว่าอันนี้จะทาให้เสื่อมนะ ทำไม่ได้เพราะทางก ท, ที่รู้เดี๋ยวทาไม่ได้เพราะว่ามันเห็นกับความสุขหรือมันไม่ยอมกับความยากเนี่ยทีนี้สิ่งนี้จะต้องทำเนี่ยมันจะสร้างความเจริญได้ก็ไม่ยอมทำรอไว้ผัดเพี้ยนไว้พุงนี้ก็แท้มรินก็ได้เพราะนั่นนี่คือความประมาทเพราะนั้นความประมาทมา ก, กับปัญญาต้องให้ครบทั้งสองอย่างปัญญาด้วยแล้วก็ไม่ประมาทด้วยก็จะเจริญก้าวหน้ากันต่อไป ตอนนี้สังคมได้มาถึงจุดที่เกิดพิกิตรการอันนี้ก็เท่ากับเป็นบทเรียนบทเรียนที่มีค่าที่เราจะได้ใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุปัจจัยว่าที่ผ่านมานี้เราพลาดอะไรอย่างน้อยอาจจะพลาดที่ปฏิบัติต่อความสุขและความทั้งคล้องผิดไปแล้วก็เมื่อได้บทเรียนและตอนนี้อย่างน้อยเฉพาะหน้าก็คือได้บททดสอบ บทดสอบว่าเราจะมีความเข้มแข็งพอที่จะผ่านพ้นสถ า, านการณ์นี้ได้ไหมมีกําลังใจพอรึอเปล่าถ้าเราได้ความเข้มแข็งทดสอบตัวเองได้เราผ่านได้ก็เราก็น่าภูมิใจหนึ่งได้ทดสอบสองได้บทเรียนสามได้เวทีฝึกตนได้ฝึกตนได้พัฒนาตนจากปัญหาและความทุกข์เมื่มีปัญหาจะทําให้คนได้ใช้ปัญญาถ้าคนไม่ยอมแพ้กับปัญหา ใช้ปัญญาคิดพิจารณาปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็จะแก้ปัญหาได้เมื่อปัญญามาปัญหาก็หมดถ้าหากว่าปัญหาอยู่ก็คือปัญญายังไม่มาเพราะฉะนั้นก็เราก็เอาปัญหาเป็นเวทีพัฒนาปัญญาเราปัญญาก็จะเกิดขึ้นต่อไปก็อย่างน้อยตอนนี้ก็คิดว่าเพื่อการทดสอบ ในสถานการณ์นี้ให้ได้ประโยชน์ก็อาจจะเอาพุทธภาษิตง่ายๆมาตรวจสอบตัวเองพุทธภาษิตง่ายๆบทหนึ่งบอกว่าท่านแบ่งคล้ายๆว่าวัดเอาเป็นเกรนวัดคนที่เราเรียกว่าเป็นชาวบ้านหรือผู้ครองเรือนเนี่ยจัดเป็นเกรดก็คือเป็นเกรดบเกรดซเกรดบเกรดเอเนี่ย ให้คะแนนสี่สามสองหนึ่งเหมือนปัจจุบันเนี่ยม่มีสี่ข้อให้คะแนนข้อละหนึ่งเแล้วก็บอกว่าคนคลองเรือนขยันดีข้อหนึ่งนี่ได้หนึ่งละเนีขยันขยันหมายความว่าขยันจัดขยันทำหมั่นสร้างสรรค์มีการผลิตเป็นต้นไม่ใช่ขยันในการบริโภคแตขยันบริโภคนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ขยันแท้ขยันผลิตนี แล้วก็สองมีทรัพย์แล้วแบ่งปันดีข้อสอง่าเอามาแบ่งปันเฉลี่ยรายได้กันให้ทั่วถึงในสังคมนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะแล้วก็สามยามรุ่งเรืองไม่เหลืองลอยดีข้อสามนะรุ่งเรืองไม่เหลืองลอยไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่ประมาทวมเมาอย่างที่ว่าใช้วัตถุนี้เป็นปัจจัยสร้างสรรต่อไม่ใช่บตชาเสดบริโภคจนหมดนะแล้วก็สี่ คราวเสื่อมถอยไม่หมดกําลังใจนะดีครบสี่เทนาอย่างนั้นเนะีตอนนี้สังคมไทยน่าจะมาถึงขั้นที่สี่แล้วคราวเสื่อมถอยเนะต้องไม่หมดกําลังใจนะถ้าได้ข้อนี้ละาครบเลยนี่ก็มาสํารวจตัวเองว่าหนึ่งขยันเรามีหรือเปล่าที่เราจะริญรุ่งเรืองมานี่มาได้ความขยันหมั่นเพียรในการสร้างสรรค์ในการผลิตหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้อันนี้แสดงว่าเราพลาดไปแล้วขั้นที่หนึ่ง อาจจะรวยเพราะกระแสกระแสโลกเนะี่ยพลอยรวยไปคอยพลัง่งพร้อมเศรษฐกิจดีโดยไม่ใช่เศรษฐกิจที่เกิดจากการสร้างสารรค์ก็ได้อาจจะเป็นเศรษฐกิจตามกระแสอย่างที่ว่าสองก็คือว่ามีทรัพย์และแบ่งปันก็คือว่าสังคมเมื่อมั่งมีขึ้นมาและรู้สึกเฉลี่ยเชือจานในระดับบุคคลก็ตามในระดับสังคมก็ตามเนี่ยอย่างแบ่งปันรายได้เฉลี่ยรายได้สังคมของเราก็ยังไม่พลังต่อไม่เพียพ้ยนต่อ สแล้วก็สามก็คือว่ายามรุ่งเรืองไม่เหลือร่อยอันนี้เราก็น่าจะภาพไปแล้วฟุ้งเฟือมโวเมเบาเพื่อนํามาสู่ความประมาทเชื่องแล้วก็สี่ตอนนี้ถึงสุดท้ายมาถึงตานี้ปัจจุบันต้องถ้าไม่ได้สามข้อต้นข้อที่สี่ต้องให้ได้อย่าให้เสียอีกถ้าเสียก็ศูนย์สิทีนี้ใช่ไหมลูกบอนสามแย่มาแล้วข้อสี่ถึงข่าวข่าวเสื่อมถอยไม่หมดกําลังใจถ้าหมดกําลังใจอีกคราวนี้ศูนย์แน่เะนั่นตอนนี้ อย่างน้อยก็เอาให้ได้ข้อถึงข่าวเสียนถอยไม่หมดกําลังใจก็ยังได้หนึ่งนี้ต่อไปนี้ก็ย้อนกลับไปแล้วต้องขยันแ ล, วละวยังไม่เล่นถอขยันสร้างสารรค์จัดทําผลิตเป็นนักผลิตไม่เป็นนักบริโภคอย่างเดียวสังคมของเราก็จะฟื้นฟูนได้ต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ตดวภาพก็เลยผิวการเอาพุทธภาษีนี้มาว่าอย่างน้อยเป็นเครื่องตรวจสอบคนไทยของเราเส้นผมแตงของเราว่าคนราคนอรคนองเรือน ขยันดีข้อหนึ่งมีทรัพย์และแบ่งปันดีข้อสองยามรุ่งเรืองไม่เหลืองลอยดีข้อสามท้าวเสื่อมถอยไม่หมดกำลังใจดีข้อสี่แล้วก็พยายามพัฒนากันขึ้นมาให้ครบทั้งสี่ข้อก็ข อ, อนโมธนาท่านประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการปรสอทุกท่านที่ได้มีจิตศรัทธามีน้ำใจไปบุญกุศล ได้มาทำบุญในวันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงอยู่แล้วว่าท่านไม่ได้ฝากชีวิตไว้กับวัตถุอย่างเดียวท่านมีจิตใจอยู่กับเรื่องนางมธรรมเรื่องบุญกุศลด้วยซึ่งอันเนี้ยท่านใดที่มีชีวิตที่ฝากไว้ไม่อยู่กับวัตถุอย่างเดียวมีด้านนามธรรมนี้อยู่ด้วยเนี่ยในสถานการณ์นี้จะได้เปลี่ยนจะมีจิตใจที่ไม่อ้างวางนะแล้วก็ไม่ถูกดิ้นันจะเกินไป และก็มีเป็นที่หวังว่าเราจะสามารถส้นตัวได้อย่างน้อยหลักในทางจิตใจที่มีเนี่ยจะเป็นฐานให้เราเก้าวกลับไปสู่การสร้างสรรค์ได้ใหม่เดินหน้าได้ใหม่ได้อาตภาพก็ขออนุโมทนาท่านคณะ ก, กรรมการทุกท่านที่ได้มาถวายสานัติธรรมวันนี้ทางการที่ท่านมีจิตใจประกอบด้วยคุณธรรมทีม่ศรัทธาและเมตตาเป็นต้น าการที่ท่านได้มาทําบุญแล้วเป็นการเกื้อหนุนต่อพระสงฆ์ถวายกําลังกรระสงฆ์ในการปฏิบัติศาสนกิจเป็นการช่วยกันดารุทำรุบบุพุทศาสนาเพื่อให้ธรรมะดำํำรงอยู่ในโลกกรอบใจเราก็ช่วยกันขยายหรือแพร่ธรรมะนี้ออกไปสู่สังคมเพื่อความร่มเย็นเป็นสุดก็อขอให้ความปรารถนาดีที่เกิดจากคุณธรรมในจิตใจของท่านนี้จงอำนวยผลเป็นความ เพิ่มเพื่มปิติใจความอือิ่มใจความรู้สึกสงบความร่มเย็นความเบิกบานใจในส่วนตัวเองและก็ได้ขยายออกไปเป็นความร่มเย็นเป็นสุด ข, ของสังคมสืบต่อไปรัตนนัยานุภาเวนะรัตนนิตยเตึกษาวิเดชานุภาพปุถุรันตนใจพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้บัเนเทิงแล้ว มีศรัทธาและเมตตาเป็นต้นจงเป็นปัจจัยพิบาตรักษาให้ท่านประธานพร้อมทั้งคณะกรรมการปสทุกท่านพร้อมทั้งญาติบิดครอบครัวตลอดจนชาวไทยทั้งปวงจงเจริญงอกงามด้วยจตุรพิธพรชัยมีความร่มเย็นเป็นสุขแผ่ไปจนกระท่านตลอดทั่วทั้งโลกและจงเจริญงอกงามประสบความก้าวหน้าและความสําเร็จ โดยเฉพาะในายามนี้จะถึงปีใหม่สองพี่กำลังจะมาถึงแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่บงเพ็นนี้เป็นพรปีใหม่ไปด้วยจนนำมาซึ่งความก้าวหน้าความงอกงามความสำเร็จในกิ จ, จา ก, การที่ดำเนินและในการดำเนินชีวิตให้บรรลุจุดหมายอันดีงามและมีความร่มเย็ยนเป็นสุขในพระธรรมของพระสมบัตสพพุทธเจ้าตลอดการทุกเมือ่อ เธอ